ข้อความในอัทธกาวาสนะคูฮัทธกะสุตานิเทศที่สองต่อหน้าสองราคถาที่สขนี่คาถาก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยปรารถนาขวนขวายหลงไหลอ ย, อยู่ในกามก็คือต้องการกามขวนขวายกามสแสวงหากามลุ่มหลงอยู่ในกามอะ่ะก็เลยตกต่ำ ตกต่ําทั้งไปสู่อาบายตกต่ําทั้งความตนีตกต่ําทั้งไม่ฟังไม่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยทํากรรมที่ไม่สม่ําเสมอนะทำกรรมชั่วทางกายทําความชั่วทางวาจาทําทความชั่วทางใจเพราะฉะฉนั้นก่อนจะตาย น, นะนะเกือบตายแล้วก็มาคิดว่าเออเราตายจากชาตินี้แล้วจะไปไหนเนาะเหมือนัอนน้นพระองค์ก็เลยเตือนหรือชีน้นําแนะนําว่าเพราะเหตุนั้นแหลสัตว์ผู้เกิดมา พึงศึกษาในาศาสนานี้แหละะพึงเจริญไตรสิกขาในคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละพึงรู้กรรมอันไม่เสมออย่างใดอย่างหนึ่งในโลกว่าเป็นกรรมไม่เสมอไม่พึงประพฤติกรรมอันไม่เสมอเพราะเหตุแห่งกรรมอันไม่เสมอนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายได้กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักะชีวิตนี้เป็นของน้อยอันคือใหแยกแย ะ, แยะความดีความชั่วให้เป็นเนี่ยนะ เมื่อแยกแยะความดีความชั่วเป็นก็อย่าไปทำความชั่วนะเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยน้อยเมื่อน้อยก็ควรที่จะศึกษาไตรสิกขาคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาในศาสนาของพระพุทธเจ้านี่แหละภาษารียบ ท, ท่านนิเทศคือขยายว่าเพราะฉะนั้นแลสัตว์ผู้เกิดมาพึงศึกษาในศาสนานี่แหละความว่าคำว่าเพราะฉะนั้นคือเพราะฉะนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะ การะณะนั้นน่ะเพราะปัจจัยนั้นเพราะนิทานคือเหตุอันนั้นน่ะคือเพราะเห็นโทษในกามทั้งหลายนั้นน่ะเพราะเหตุนั้นก็คือเห็นโทษของกามอ่ะนะเห็นโทษของความปรารถนาในกามขวนขวายในกามลุ่งหลมในกามหรือเห็นโทษในความเป็นผู้ตกต่ําเห็นโทษแห่งการทําความชั่วเห็นโทษถึงความเดือดร้อนใจในเวลาใกล้ตายแล้วก็เห็นโทษเห็นภัยว่ากรรมที่ทําชั่วเนี่ยจะมีผลอย่างไรต่อไปอันเมื่อเห็นโทษอย่างนั้นแล้วก็พึงศึกษา นะสิกขาสามคืออธิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาในาศาสนานี้นั่นแหละนี่คําว่าอธิศีละสิกขาอธิศีลสิกขาเป็นไนก็คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสํารวมแล้วด้วยความสํารวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายศีลขันน้อยศีลขันใหญ่ ศีลที่ตั้งเบื้องต้นความประพฤติความสำรวมความระวังปากประทานแห่งความถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าอาธิศีลสิกขาเนี่ยนะมาดูอัตกถาหน้าสองร้อยเก้าสิบนี่ยนะซึ่งพระอัตกถาท่าน <c oughs> อธิบายว่าคำว่า เออิทะเนี่ยนะในศาสนานี้ก็คือเป็นคําสอนเอเป็นคําแสดงคําสอนซึ่งเป็นที่อาศัยของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยเกเรณียกิจอันเป็นส่วนเบื้องต้นผู้บําเพญ็ญศีลโดยประการทั้งปวงและก็ปฏิเสธภาวะอย่างนั้นในศาสนาอื่นคื อ, อที่ศีลสิกศิขาเนี่ยไม่มีในศาสนาอื่นเนี่ยนะแล้วก็ศาสนาอื่นไม่มีไตรสิกขาที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อะไร นี่คำว่าศีลเนี่ยนะที่บอกว่าอธิศีลและศิขาอธิศีลสละิขาอธิศีลเนี่ยแปลว่าศีลอันยิ่งเนี่ยนะแต่คําว่าศีลก่อนนี่ยนะโดยเฉพาะคำเนี่ยคำว่าศีลหมายถึงศีลละนะนี่นะศีลเนี่ยหมายถึงศีลละนะใช่ไหมศีลละนะนี่ก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือสมาทานังกับอุปธารนังสมาทานังก็คือความเป็นผู้มีกายวาจาไม่กระจัดกระจายด้วยความเป็นผู้ศีลดี คือถ้าเป็นผู้ศีลดีก็ไม่มีกายไปทาความชั่วไม่มีวาจาไปไปพูดชั่วเนี่ยนะนั้นสมาธานั้นก็คือไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายทางกายและวาจาในขณะเดียวกันศีนก็เป็นอุปธาณะคือรองรับความว่าเป็นที่รองรับกุศลธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งเนี่ยนะคือเป็นที่ตั้งแห่งสมถะเป็นที่ตั้งแห่งวิปัสสนาน่นะศีล น, นั้นมีศีละนะนั่นแหละเป็นลักษณะ คือลักษณะของศีลเนี่ยนะคือกายวาจามไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายรองรับกุศลธรรมชั้นสูงอันนี้เป็นลักษณะของศีลศีลแม้ที่ขยายเป็นอนเนกประการเหมือนกับสีนเนี่ยนะสีมันถึงจะมากขนาดไหนสีนก็คือเห็นด้วยจากขวิญญาณเป็นลักษณะเหมือนกันศีลถึงจะมีมากมายกว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหนศีลเหล่านั้นก็คือศีลละนะเนี่ยนะคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงกับกายวาจาไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายเนี่ยนะ นั่ะนี่เป็นลักษณะของศีลส่วนกิจของศีลเนี่ยนะศีลก็คือมีการกำจัดความทุศีลเป็นกิจแล้วก็มีคุณอันหาโทษไม่ได้เป็นรถเนี่ยนะกิจก็คือหน้าที่ของเขากำจัดความชั่วความทุศีลทางกายวาจานเนี่ยนะแล้วก็ความถึงพร้อมของศีลก็คือเป็นคุณที่หาโทษไม่ได้เนี่ยนะไม่มีความโทษไม่มีโทษที่ตัวเองจะติเตียนตัวเอง หรือผู้รู้ทั้งหลายจะไครัวครวัครครวดีแล้วจะติเตียนได้พันศีลจึงกำจัดความทุศีลเป็นกิจเป็นคนที่หาโทษไม่ได้เป็นสมบัติเนี่ยนะศีล น, นั้นมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏคือสะอาดกายสะอาดวาจาและก็ความสะอาดทางใจเนี่ยเป็นอาการปรากฏพันผู้ที่มีศีลเนี่ยมีเป็นผู้สะอาดจริงๆเนี่ยนะสะอาดกายวาจาใจคาว่าสะอาดในที่นี้แปลว่าไม่มีกายวาจาใจที่ไปทาชั่วนั่นเอง หิริโอตปะท่านผู้รู้อธิบายว่าเป็นเหตุใกล้ของศีล น, นี่นะความละอายชั่วความเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อผลของบาปกลัวนรกเปรตอสุรากายสาัตว์เดรัจฉานที่เป็นโทษของการล่วงศีล น, นั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้มีศีลเพราะฉะนั้นเมื่อมีหีริโอตปะศีลก็เกิดนั่นนะถ้าหาว่าไม่มีหีริไม่มีโอตปะศีลก็ไม่มีมันถ้าจะรู้ว่าผู้ใดมีศีลจริงก็ดูจาก ว่าเขามีหิริมีโอตตปะไหมถ้าไม่มีหิริไม่มีโอตตปะเขาไม่มีศีลรอกนั่นนะตัวศีลเนี่ยนะตัวศีลก็คืออะไรคือศีลเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลแล้วก็อวีติกมะเป็นศีลเจตนาที่เป็นศีลก็คือเจตนา2อย่างนะเจตนาเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นอย่างหนึ่งกับเจตนาที่ตั้งใจบำเพ็ญวัดปฏิบัติอันนี้เรียกว่าเจตนาศีล อันนั้นก็คือเจตนาที่วารีตคือเว้นกับจารีตต้องประพฤติเนี่ยนะเรียกว่าเจตนาศีลส่วนเจตสิกศีลก็คือวีรติเจตสิกเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาชีวะเนี่ยวีรติเจตสิกชื่อว่าเจตสิกศีลหรือว่าอนัพิชาอัพยาปาธาสัมมาทิฏฐินี่ก็เป็นเจตสิกศีล ส่วนสังวรศีลเนี่ยนะสังวรศีลก็คือปาติโมกขสังวรสติสังวรญาณสังวรนะขันติสังวรวิรยิยะสังวรสังวร5อย่างนี้ก็เป็นศีลเนี่ยนะส่วนอวีติกมะศีลก็คือความไม่ก้าวล่วงทางกายวาจาของผู้สมาทานศีลเอาไว้เนี่ยนะไม่ยอมละเมิดอ่ะจะด้วยเหตุใดก็ตามจะไม่ยอมละเมิดอันนั้นแหละเรียกว่าอาวิติกมะศีลนนั มันสังวรศีลกับอวีติกรมาศีลเรียกว่าเป็นศีลโดยตรงเนี่ยนะส่วนเจตนาศีลเจตสิกศีลเนี่ยเป็นศีลโดยอ้อมนี่ยนตัวตรงตรงจริงๆก็คือสังวรหเนี่ยนะปาติโมกับสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรส่วนและก็ความไม่ล่วงละเมิดเนี่ยนะถ้าสมาทานประพฤติแล้วก็ไม่ละเมิดไม่ให้ศีลเสียเลยอ่ะอันนี้เรียกว่าศีลโดยตรงศีลที่ชื่อว่าปาติโมกเนี่ยนะปาติโมกก็เพราะว่าศีลส่วนที่เป็นศิกขาบท เพราะว่าศีลนั้นป ล, ปลดเปลื้องคือเปลื้องผู้คุ้มครองรักษาศีลให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์ในอบายเป็นต้นจึงชื่อว่าปาติโมกหั้นการรักษาปาติโมกก็คือรักษาตัวเองให้พ้นอบายนั่นเองอานะการรักษาศีล เ, เช่นคารว่ารักษาศีลห้าเป็นต้นเนีย่ยนะก็คือรักษาตัวเองให้พ้นอบายถ้าพระพิสุทั้งหลายรักษาตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนีย่ยนะปฏิบัติตาม ป, ปาติโมกขสังวรเนีย่ยนะ สมาทานศึกษาปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็คือรักษาตัวเองไม่ให้ไปสู่อาบายถ้ามีศีลอยู่ศีลเนี่ยเป็นทรัพย์ใช่ไหมทรัพย์เนี่ยปกปิดห้ามอาบายเพราะนั้นถ้าหากว่าเห็นหมูเดรัชานทั้งหลายเห็นผู้ทุกตกทุกได้ยากทั้งหลายก็ระ ล, ลึกถึงศีลว่าถ้าเรามีศีลศีลจะพาเราพ้นจากอาบายทั้งหลายเหล่านั้นพ้นจากทุกทั้งหลายเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นศีลทั้งหลายเนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองผู้รักษามไม่ให้ตกไปสู่ โลกที่ชั่วไม่ให้ไปสู่สถานที่ที่ชั่วนะออผู้ที่รักษาศีลเนี่ยนะก็ต้องสมาทานนะนะสมาทานศึกษาสิกษาบทที่ควรศึกษาเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าสอนแนะนําทั้งทางกายทางวาจาทั้งหมดเลยเนะี่ยทั้งศีลขันธ์น้อยศีลขันธ์ใหญ่ศีลขันธ์เด็กก็ตั้งแต่สังขาธทิเศษเป็นต้นไปศีลขันธ์ใหญ่ก็คือปาราชิกเนี่ยนะ ก็เพราะภิกษุชื่อว่าย่อมตั้งอยู่ในศาสนาด้วยปาติโมกขสังวลศีลเพราะฉะนั้นปาติโมกขสังวลศีลนี้จึงชื่อว่าเป็นที่ตั้งจะอยู่ในศาสนานี้นะก็ต้องมีปาติโมกนะถ้าไม่มีปาติโมกก็ชื่อว่าไม่มีที่ตั้งแล้วล่ะเพราะฉะนั้นศีลชื่อว่าเป็นที่ตั้งเพราะอาจว่าเป็นที่ตั้งแห่งภิกษุอย่างหนึ่งคุณแห่งความเป็นภิกษุต่อเมื่อมีศีลแหละจึงจะเรียกว่าเป็นภิกษุนะถ้าไม่มีศีลเป็นต้นก็ท่านบอกว่าเหมือนกับ สุนัขยิงจอกเอาหนังราชสีมาห่มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่ตั้งแห่งความเป็นภิกษุก็คือศีลในขณะเดียวกันศีลก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายคือกุศลธรรมทั้งหลายนี่นะเป็นที่ตั้งแห่งศีลอย่างในชตาสูตรใช่ไหมที่วิสุทธิมักเอามาอ้างว่านระผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลเนี่ยนะศีเลปฏิทายะนโรสปันโยจิตตังปัญญาจ่าเนี่ยผู้ที่มีปัญญานี่ก็ตั้งอยู่ในศีล ในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิษศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งปวงนะดูก่อนมหาบพิษกุศลธรรมทั้งปวงของผู้ตั้งอยู่ในศีลแล่ย่อมไม่เสื่อมอนะคือสมถาวิปัสนาเนี่ยนะมีศีลเป็นที่ตั้งศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสมถาวิปัสนาขณะเดียวกันเนี pancakes, น่ยผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลจะไม่เสื่อมในสมนถาวิปัสนาเลยขอให้ตั้งอยู่ในศีลจริงๆเถอะ เพราะว่าศีลนี่แหล ะ, อะรองรับคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะถ้ามีฐานดีแล้วไม่ตกอยู่แล้วเนี่ยนะศีลนั้นชื่อว่าเป็นเบื้องต้นเพราะาอาถรวาเกิดขึ้นก่อนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่านนีะ่ขติยะเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงชำระศีลจงชำระเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายก็อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายศีลที่บริสุทธิ์ดีและทิฏฐิที่ตรงเนี่ยนะชื่อว่าเป็น เบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะมีผิ้ผู้ที่ไปขอกรรมาฐานจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเชื่อว่าพระพาหิยะเนี่ยในสังยุตตนิกายเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ชำระเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายก่อนนะถามว่าเบื้องต้นแห่งกุศลคืออะไรคือศีลที่บริสุทธิ์หมายถึงจตุปา ร, ริสุทธิศีลกับกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิคือทิฐิที่ตรงอันนี้แหละเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลเหมือนอย่างว่านายช่างสร้างนาคร ประสงค์จะสร้างนาครจึงชมระที่ตั้งนครก่อนต่อ น, นั้นจึงสร้างนาครแบ่งกําหนดเป็นถนนทางสี่แพร่งสามแพร่งในภายหลังฉันใดพระโยคาวจรชมระศีลเป็นเบื้องต้นต่อ น, นั้นจึงทําให้แจ้งสมาธิวิปัสสนามักผลและนิพพานในภายหลังฉันนั้นเหมือนกันนะถ้าไม่ต้องเอายิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็เนี่ยมองสร้างบ้านจัดสรรทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องทําที่ก่อนใช่ไหม ทำที่แล้วก็ตกแต่งถนนหนทางแล้วจึงเริ่มมีการก่อสร้างศีลทั้งหลายก็ลักษณะนั้นนะนะเป็นเบื้องต้นนะนะเมื่อมีศีลเป็นเบื้องต้นอย่างนี้แล้วก็อบรมสมถะวิปั ส, สนาสมถะวิปั ส, สนาที่ควบคู่กันอย่างนี้ก็จะบรรลุมรคมร์เนี่ยผลของมรคคืออริยผลอารมณ์ของมรคผลก็คือพระนิพพานเพผลเริ่มต้นเบื้องต้นจริงๆก็คือศีลนั่นแหละจึงจะได้สมถะวิปัสนามรคผลและนิพพาน อุปมาอีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างว่าช่างย้อมผ้าเนี่ยนะซักผ้าด้วยน้ำด่างสามอย่างก่อนนะก็ซักผ้าก่อนให้ผ้าสะอาดแล้วจึงใส่สีตามที่ต้องการฉันใดนะนะหรือว่าพวกช่างเขียนผู้ฉลาดเนี่ยนะจะเขียนรูปภาพจึงขัดฝาเป็นเบื้องต้นทีเดียวแต่งพื้นแต่งฝาก่อนนะนะแต่จากนั้นก็จะสร้างรูปภาพขึ้นในภายหลังฉันใดพโยคาวจรเนี่ยชระศีลให้บริสุทธิ์แต่ต้นทีเดียว ย่อมทาให้แจ้งซึ่งธรรมทั้งหลายมีสมถวิปัสนาเป็นต้นในภายหลังฉะนนั้นเหมือนกันเนีนะอันศีลเนี่ยสำคัญมากถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีศีลคุณชั้นสูงนี่ก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วเหมือนกับสัตว์ จ, ต, จตุบททวิบาทเนี่ยนะคือสัตว์สองเท้าสัตว์สีเท้ า, ท า, ทาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่บนแผ่นดินฉันใดผู้ที่จะอบรมสติปัฏฐานอบรมอริยมรรคอบรมโพธิชงก็ต้องตั้งอยู่ในศีลก่อนเป็นเบื้องต้น ต้นไม้ใบหญ้าพีชะคามภูชะคามต้นไม้เนี่ยนะไม้ชนิดใดก็ตามที่จะเจริญงอกงามก็อาศัยแผ่นดินเนี่ยนะศีลก็เหมือนกันเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญเนี่ยนะพันถ้ามองเห็นแผ่นดินเนะีเจริญอะไรไม่ได้ก็บอกเออแผ่นดินเป็นที่เจริญเอ่อ เ, เป็นที่เจริญงอกงามแห่งต้นไม้ใบหญ้าเป็นที่อาศัยอยู่ของสิงสาราสัตว์ของเอ่อมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยฉันใดศีลทั้งหลายก็เป็นบาปเป็น คุณธรรเครื่องรองรับของผู้ที่เครื่องรองรับสมถาวิปัสนาฉันนั้นเนี่ยนะก็คีดอย่างนี้ก็ได้ในฐานะว่ากุศลธรรมชั้นล่างคือศีลรองรับกุศลธรรมชั้นสูงคือสมถาวิปัสนามรรคและผล